ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าเช้าวันหนึ่งเธอขับรถเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะในกรุงเทพไปทำธุระแล้วก็จอดรถไว้ตรงริมถนนพอตอนบ่ายเสร็จธุระกลับมาที่รถก็เห็นที่กระจกหน้านมีกระดาษหยุดแผ่นหนึ่งนะติดอยู่ตรงที่ปัดนน้ำฝน มีข้อความเขนว่ารบกวนไม่จอดรถแย่งที่รบกวนไม่แย่งที่จอดรถของคนอื่นนะค ะ, ะเขีย น, นองรนีรบกวนไม่จอดไม่แย่งที่จอดรถประจําของคนอื่นนะคะถ้ถ้อยคำก็ไม่ได้หยาบคายอะไรนะ แต่ก็สร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของรถพอเธอเอาข้อความนี้แล้วก็เราเรื่องนี้โพสต์ทาง Facebook นะก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายส่วนใหญ่ก็วิจารณ์หรือบางคนก็ต่อว่าเลยคนที่เขียนข้อความนั้นส่วนใหญ่ก็พูดทำนองว่ามันเป็นที่จอดรถสาธารณะ นะใครๆก็จอดได้แล้วทำไมถึงถือสิทธินะว่าไม่ให้คนอื่นมาจอดตรงนั้นตัวคนที่โพสข้อความหรือเรื่องราวที่ว่าเธอก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าไปจอดรถขวางทางเข้าออกของบ้านใครเนี่ยอันนี้ก็สมควรนะที่จะต่อว่าแต่ น, นี้ก็ไม่ได้จอดรถขวางบ้านใคร ขวางทางเข้าออกของบ้านใครก็จอดรถตรงริมถนนซึ่งเป็นที่สาธารณะคนที่เขียนข้อความนี้อาจจะเป็นเจ้าของบ้านแถวนั้นแต่เ้าก็มีสิทธิ์เฉพาะบ้านของตัวนะไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของถนนแถวนั้นเพราะมันเป็นถนนสาธารณะ ก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หลายคนเขียนมาต่อว่านะคนที่เขียนกระดาษแผ่นนั้นซึ่งเหตุผลที่เขาว่านี้ก็ที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่พูดนี้ก็มันก็ใช่นะที่จอดรถเนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะ มันเป็นสาธารณะใครจะมาจอดก็ได้แม้จะไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านตรงนั้นนะหรือแถวนั้นแต่ก็นี้มันก็น่าคิดนะว่าทำไมคนที่เขียนกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยจึงไม่พอใจ เจ้าของรถมันก็เห็นอยู่แล้วนะว่ามันเป็นที่ที่เขาจอดรถประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ย่อมไม่พอใจที่รถคันอื่นเนี่ยมาจอดตรงนั้นเหมือนกับเป็นแย่งที่ของเธอไอความรู้สึกว่าเป็นของฉันเนี่ยนะที่จอดรถของฉันเนี่ยอันนี้มันทำให้ บุคคลผู้นั้นเนี่ยไม่พอใจนะรถที่มาจอดกาถือว่ามาแย่งที่จอดรถของฉันที่จริงเนี่ยมันก็ไม่เป็นไม่ใช่ที่จอดรถของเธอเลยนะก็อย่างที่บอกเป็นที่สาธารณะนะแต่ทําไมเนี่ยจึงเกิดความสำคัญมันหมายว่าที่จอดรถของฉันอันนี้ก็เพราะว่า จอดประจำนะจอดประจาตรงนั้นแหละก็เลยสำคัญมานหมายว่าเนี่ยเป็นที่จอดรถของฉันใครจะมาจอดตรงนั้นไม่ได้นะพอมีคนมาจอดก็เลยไม่พอใจแต่ก็ยังดีที่เขียนข้อความที่ไม่ได้อยากขายอะไรแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของผู้เขียนนะว่าเนี่ย ว่ามันเป็นที่จอดรถของฉันนะทั้งๆที่ตัวเองไม่ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยเพราะว่ามันเป็นที่จอดมันเป็นที่สาธารณนะจะว่าจะว่าไปแล้วคนจำนวนไม่น้อยก็เป็นอย่างนี้นะในความยึดมั่นถือมาว่าของฉันของฉันเนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่ใช่ของตัวในทางกฎหมาย ยังเราจะเคยเจอเนะอในห้องประชุมเนี่ยมีคนมานั่งฟังคำบรรยายจะเป็นคำบรรยายทางธรรมะหรือว่าคำบรรยายเกี่ยวเรื่องอทางโลกก็ตามมีคนหนึ่งมานั่งได้ที่นั่งนั่งสักพักก็ ออกไปอาจจะไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาบกวัา ท, ที่นั่งตัวนั้นเนี่ยก็อีตัวนั้นนี่มีคนอื่นครองไปเสียแล้วพอเห็นฉันนั้นเกิดความไม่พอใจนะไม่พอใจเพราะอะไรไม่พอใจเพราะเห็นว่าเนี่ยเขามาแย่งที่นั่งของฉันที่จริงมันไม่ได้เป็นที่นั่งของใครนะมันเป็น สาธารณะนะที่นั่งนั้นนะเลื่องน้อยก็เป็นของเจ้าของสถานที่เจ้าของตึกเจ้าของห้องประชุมแต่เพียงแค่ได้นั่งไม่กี่นาทีนะได้นั่งเก้าอี้นั้นแค่10นาทีเนี่ยมันก็เกิดความสําคัญมั่นหมายไปเสียแล้วว่ามันเป็นเก้าอี้ของฉันเป็นที่นั่งของฉันเพราะฉะนั้นแมจะออกไปทาธุระเข้าห้องน้ำกลับมา พอที่นั่นที่นั่งนั้นเก้าอีน้นั้นเป็นของคนอื่นนั่งเสร็จแล้วก็เลยไม่พอใจบางทีก็ไปพูดไล่ให้เขาไปนั่งที่อื่นบอกว่าที่นั่งของฉันมาแย่งที่นั่งฉันทำไมก็เลยเกิดการทุ่มเถียงกันอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรา อาจจะเห็นได้ทั่วไปหรือเห็นได้บ่อยๆนะหรือบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองก็ได้แม้กระทั่งไปฟังการแสดงธรรมนะของครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือได้ที่นั่งไปแล้วแต่เนื่อจากมีธุระออกไปข้างนอกพอกลับมาเอาเก้าอี้นั้นมีคนนั่งไปเส็จแล้วก็เกิดความไม่พอใจ ท, ทั้งที่มาฟังทำแท้ๆนะแต่ว่ามันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นไปเรียบร้อยแล้วว่าที่นั่งของฉันมาแย่งที่นั่งของฉันไปทำไมอย่าว่าแต่ที่นั่งนะฟังคำบรรยายหรือว่าฟังคอนเสิร์ตเลยบางทีเดินจงกรมนะเดินจงกรมได้ตาแหน่งที่มันแหมมันสงบร่มรื่น ก็เลยเลือกตุดนั้นแหละเป็นทางเดินจงกรมเดินไปได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงนะพอได้เวลากินอาหารเที่ยงก็นะออกไปกินอาหารเที่ยงกลับมาทางจงกรมนั่นมีคนอื่นใช้ไปเสร็จแล้วบางทีเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเลยนะว่ามาแย่งทางจงกรมของท่านได้ยังไง นี่มันทางของฉันนะบางทีไม่ใช่แค้นนึกเฉยๆนะอาจจะไปทวงเลยนเนี่ยมาแย่งที่หน้าของฉันมาย่งทางจงกรมของฉันได้ยังไงนี่ขณะมาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ทางจงกรมนั่นก็เป็นสาธารณาสุขด้วยเป็นของสำนักปฏิบัติหรือเป็นของวัดแต่พอใช้ไปได้ไม่กี่ชั่วโมงนะมันก็เกิดความสําคัญบรรหมายซะแล้วว่าของฉันของฉันของฉัน เริ่มเกิดอะไรขึ้นนะก็เกิดการหวงแหนเกิดการทะเลาะเบาแวงกันนี่ขณะที่มันเป็นของสาธารณะนะนับสาไรกับของที่ซื้อมาด้วยเงินของตัวเองนะเช่นโทรศัพท์นะหรือว่ารถยนต์หรือวา่าของเครื่องใช้ อาจจะเป็นแก้วอาจจะเป็นกระติกเนี่ยในเมื่อซื้อมาด้วยเงินของตัวเนี่ยมันก็ยิ่งยึดมั่นสำคัญหมายนะว่าของชั้นของชั้นพอมีคนดิบช่วยไปใช้โดยที่ไม่บอกกล่าวก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาว่าเนี่ยมาของชั้นไปใช้ทาไมทำไมไม่ขออนุ ญ, ญาตก่อนไอแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเจอบ่อย ให้ธรรมชาติคนเรานี่นะมันชอบยึดมั่นสําคัญหมายมากเลยนะยึดมั่นสำคัญหมายว่าของชั้นหรือว่าตัวชนะั้นนัเหตุการณ์ที่ว่านี่นะมันมันสะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์เลยนะว่ามนุษย์เรานี่มักจะเผลอนะสําคัญว่านี่ของชั้นทั้งทั้ที่ ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยแต่ว่าไอความที่ชอบยึดมันสำคัญหมายเป็นของชัาของชันก็เลยไปทึกทักเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นของชันมากมายแม้กระทั่งที่จอดรถสาธารณะหรือว่าทางจงกรมที่เป็นสาธารณะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้เท่าทันนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นนิสัย ซึ่งสามารถจะสร้างความทุกข์หรือว่าเก่ะความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันได้ไอ้ความทุกข์เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเท่านั้นนะบางทีเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเกิดขึ้นเพราะว่าถูกแจ้งไปของที่ยึดมั่นสำคัญหมาเป็นของฉันมันถูกแย่งไปหรือว่า มันเกิดเสื่อมมันเกิดเสียมันเกิดหายไปโดยพ่อของที่ซื้อมาด้วยเงินของตัวเองหรือว่ามีคนให้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าตัวเองมีสิทธิชอบทำนะที่จะยึดมั่นว่าเป็นของชั้นที่จริงการไปยึดเอาสิ่งร้อนที่เป็นของชั้นนี่ในแง่งหนึ่งมันก็ดูเหมือนสมเหตุสมผลหรือไม่เห็นมีผลอยู่บ้างนะตรงที่ว่า มันให้ความสะดวกสบายกับเราไอ้ที่จอดรถตรงนั้นเนี่ยนะมันจอดแล้วมันให้ความสะดวกสบายกับเจ้าของรถเพราะว่าต้องทำให้เดินไม่ไกลก็เลยจอดประจำมันเป็นจุดมันเป็นตำแหน่งที่ฉันชอบ ฉันเลยจับประจำพอจับประจําฉันก็เลยยึดว่าเป็นของฉันซะเลยหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าแก้วน้ําหรือว่ารถยนต์มันก็ให้ความสะดวกสบายกับฉันมันก็เลยเป็นธรรมดาที่จะยึดว่าเป็นของฉันเกิดความหวงความแหนแต่บางอย่างเนี่ยมัน มันไม่ได้ทําความสุขให้กับเราเลยนะเช่นความเศร้าความโกรธความรู้สึกผิดความเครียดอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วยังเผลอไปยึดว่าเป็นของฉันหรือเป็นตัวฉันเนี่ยโอ้มันทุกข์เลยนะแล้วมันน่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นกูของกูน่าเสียชีวิไหนนะ ให้ความโกรธเนี่ยความเศร้าความเครียดแต่ว่าสังเกตมไหมว่าเนี่ยผู้คนนี่ก็ชอบไปยึดนะอารมณ์เหานี้ว่าเป็นเราเป็นของเราพอโกรธมีความโกรธก็ขึ้นก็ไปยึดว่าเราโกรธความโกรธเป็นของฉันเวลาเครียด นะความเครียดเกิดขึ้นก็ไปยึดว่าเนี่ยความเครียดนี่คือฉันนะเป็นของฉันยึดนั่นคือความเจ็บความปวดนะไอ้ความเจ็บความปวดเนี่ยมันน่า ย, ยึดที่ไหนว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ร้อยท่องร้อยเนี่ยก็ไปยึดนะว่าเนี่ยความปวดเป็นฉันเป็นของฉันในะเวลาปวดทีไรก็ กวดความรู้สึกว่ากูปวดกูปวดทุกทีเลยและนั่นแหละก็ทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นหลวงพ่อคำเขียนท่นเคยพูว่าเนี่ยความปวดมาไม่ได้ลงโทษเราเท่าไหร่ไอ้ความเป็นผู้ปวดทางหางที่มันลงโทษเราไอ้ความเป็นผู้ปวดเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นเมื่อเราไปยึดนะหรือเมื่อจิตไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็าเลยแทนที่จะแค่ปวดกาย ใจมันก็เลยปวดด้วยเพราะมันมีกูปวดขึ้นมาอันนี้เราความเป็นผู้ปวดเกิดขึ้นแล้วที่จิงไม่เป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าเมื่อความปวดเกิดขึ้นเรามีสติเห็นมันนะรู้ทันมันอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเนะี่ยความปวดมันมีไว้ดูมีไว้เห็นไม่ใช่ข้ปเป็นเป็นในที่นี้คือว่าเป็นผู้ปวดนะซึ่งมันเกิดจากการไปยึด ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วที่ไปยึดเนี่ยเพออราะแหลเพราะหลงนะเพราะไม่มีสติไอ้ความยึดมั่นถือมามาเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นต้นตอแห่งความทุกข์เลยนะโดยเพราะความทุกข์ใจจริงจริงมันก็มีประโยชน์นะไอ้ความยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยการที่คนเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องของความยึด ในตัวกูแบบหนึ่งนะมันมีความสงคัญามากหมีกูมีกูแต่ว่าเป็นกูที่ดีเป็นกูที่พึงประสงค์เกิดความภาคภูมิใจในตัวกูถ้าคนเราถ้ามีความภาคภูมิใจในตนเองหรือภาคภูมิใจในตัวกูเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมให้ทําความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมีน้ำใจได้แต่ถ้าไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะรู้สึกด้อยรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามันก็ง่ายที่จะไปทำชั่วนะคนหนุ่มวัยรุ่นนะที่เกกเมรเเกเรไปก่อกรรมทำเข็งกับผู้อื่นรักขโมย ไปชกยกพวกตีกันเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยหรือแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองด้อยไม่มีคุณค่าเมื่อเด่นทางดีไม่ได้ก็ให้ เ, เด่นทางชั่วก็แล้วกันนะหรือว่ายอมทําชั่วเพื่อจะได้รับการยอมรับจากเพื่อน ว่าทำให้ตัวมีคุณค่าขึ้นมาในสายตาของเพื่อนหรือว่าทําให้มีตัวตนขึ้นมาในสายตาของเพื่อนพอไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีตัวตนเหมือนกับเป็นพวกโนบอดี้พวกที่โซ่ตัวเองนี่เป็นโนบอดี้นี่น่ากลัวนะเพราะว่าพร้อมจะทําชั่วได้เพื่อให้ตัวเองนี่เป็นซัมบอดี้ขึ้นมาหรือว่าเป็นมีตัวตนอยู่ในสายตาของคน อย่างวายรุ่นจำนวนไม่น้อยนี่ก็ที่ยิงคนตายเนี่ยเพื่อให้เพื่อนเพืนเขาชมยกย่องยอมรับว่าเออกล้าทั้งทั้งที่คนที่ถูกยิงนี่ก็ไม่รู้จักแล้วแต่ว่าต้องยิงก็ต้องยิงให้ตายด้วยเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนเพือนตัวเจะรู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นมาหรือว่ามีตัวตนในสายตาของเพื่อนๆน เพราะว่าในสายตาของพ่อแม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่เขาเป็นโนโบอ ด, ดีไม่มีคุณค่าก็าเลยรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าตามไปด้วยการที่คนเรานี่มีความสุกภูมิใจในตัวเองเนี่ยหรือเกิดความภูมิใจในตัวกูเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะหลายคนเนี่ยไม่กล้าทำชั่วเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากให้ นะตัวกูเนี่ยมันเป็นที่ดูคลุบดูแคลนหรือว่าเป็นที่เหยียดยามของผู้คนให้ความยึดมั่นตัวกูมันก็มีประโยชน์ในการที่ช่วยเหนี่ยวรั้งคนไม่ให้ทําความชั่วนะไม่อยากทําความดีหลายคนเนี่ยนะที่พาคเพียรในการปฏิบัติทำภาคเพียรในขยนันในการเรียนหนังสือก็เพราะว่าไม่อยากแพ้คนอื่น เห็นเพื่อนเขาขยันเราจะสู้เขาไม่ได้ฉเฉลือไม่อยากแพ้อันนี้เราเกิดมันนะเพราะว่ามันเกิดการชิงดีชิงเด่นแข่งขันกันเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมตัวกูขึ้นมาหรือแล้วก็ไม่ให้ตัวกูมันด้อยไปกว่าคนอื่นเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้เลย ก็เป็นผู้หญิงก็เป็นคนแก่นะเขายังทำได้เรือฉันจะยอมแพ้ได้อย่างไรนะ่มันเกิดการฮึฮดสู้เนี่ยอันนี้เรียกว่าเกิดมานณะ์ก็เป็นเรื่องของตัวกูเนี่ยหรือว่าไอความรู้สึกว่าความสังคำมั่นหมายว่าเป็นของกูนี่ก็สำคัญนะถ้าเกิดว่าเมอบหมายงานให้ใครแล้วเขาสึกว่าเขาเป็นเจ้าของงานนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่ก็มักจะทำได้ดีนะไอ้ที่งานมันออกมาไม่ค่อยเข้าท่าเนี่ยไม่มีคุณภาพเนี่ยเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนที่ทำคอมพสวเอร์เขาเป็นเจ้าของงานเป็นของเจ้านายงานเป็นของคนนั้นคนนี้แต่ถูกสั่งให้ทำไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเองนะก็เลยทำแบบขอไปทีแต่ถ้าเกิดว่ามอบหมายเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ มีอำนาจในการตัดสินใจเขาก็จะทําได้ดีเพราะรู้สึกว่าเป็นของเขาอันนี้ก็เลยเป็นหลักนะทีะ่ผู้บริหารตัวนวนมากเนี่ยพยายามทําให้ลูกน้องเนี่ยมีความรู้สึกว่างานเนี่ยเป็นของเขาไม่ใช่ของเจ้านายให้ความรู้สึกเป็นเจ้าขา้าเจ้าของเนี่ยของชั้นของชั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้คนเราเนี่ยทำ มีความเพียรเอาใจสาระผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่ามันยึดมั่นมากเกินไปก็เกิดความเสียหายนะยึ ด, ด ม, ามาเป็นงานของกูใครจะมายุ่มย่ามไม่ได้หรือว่าไม่อยากให้ใครนั้นจะเข้ามาเอาความดีความชอบไปด้ว ย, เ, ยเกิดการหวงแหนไม่ยอมประสานงานกัน นะเพา่าเนี่เป็นงานของกูงานของกูอันนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกันหรือว่าเกิดความทุกข์ขึ้นเมื่องานมันล้มเหลวคนที่สึกเป็นทุกข์เวลางานล้มเหลือนี่พ่อไปเยี่ยงงานคือกูงานเป็นของกูงานล้มเหลวกูก็เลยล้มเหลวด้วยรู้สึกแย่เสียส่วนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโทษนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ปล่อยให้ความสงคัญมั่นหมายเนี่ยมันเป็นใหญ่เหนือจิตใจจนสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองสร้างความเพลอดเพลินไม่พอไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นอย่างเรื่องที่เล่าเนี่ยซึ่งที่จริก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ที่มันมีเรื่องที่รุนแรงกันนั้นก็มีอีกเยอะ การที่เราเนี่ยพยายามรู้เท่าทันความสำคัญมั่นหมายว่ากูว่าของกูเนี่ยมันจำเป็นนะถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยไอความเราก็จะเราก็จะใช้ตัวกูของกูในทางที่เป็นคุณได้แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็จะใช้เราแทนนะไตัวกูเนี่ยมันจะใช้เรานะเพื่อส่งเสริมความยิ่งใหญ่ของมันเพื่อส่งเสริม ความความพิเศษเลอเลอของมันซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะโดยเพราะเนี่ยไปยึดมั่นนะในสิ่งที่มันเป็นโทษอย่างเดียวเลยนะเช่นความเจ็บความป่วยความกโกรธนะความเครียดพวกนี้เนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักวางนะไม่ยึดมั่นในในรถในบ้าน ในร่างกายเนี่ยควรเรียนรู้ที่จะรู้จักปล่อยวางไออารมณ์ที่เป็นอกุศลซะก่อนเพราะว่ารถบ้านร่างกายเนี่ยจะว่าไปามันก็น่ายึดนะเพราะมันให้ความสุขกับเรา ท, ทั้งที่มันก็เจอไปด้วยทุกข์แต่ว่าอารมณ์พวกนี้เนี่ยอารมณ์ที่ว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่น่ายึดเลยแมย้แต่น้อยเพราะว่ามันมีแต่โทษทายเดียว ไปยึดว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่นี่ผมก็ทรมานมากไปยึดว่าความโกรธเป็นเราเป็นของเรามันก็เผาลวนจิตใจแต่ทําไมต้องยึดมันนะก็เพราะหลงไงเพราะไม่มีสติที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะก็เพื่อมารู้เท่าทันมันเห็นมันนะเราใหม่ๆเราห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะ พอมีการกระทบรูปกระทบตาเสียงกระทบหูบางครั้งก็มีความโกรธความหงุดหงิดแต่งน้อยเนี่ยเราไม่ปล่อยให้มันคลองใจด้วยการรู้เท่าทันให้การรู้เท่าทันมันท้าไม่เกิดการเห็นไม่เข้าไปเป็นนะ รู้ว่าโกรธมันปลอดภัยแต่เป็นผู้โกรธเนี่ยไม่ปลอดภัยเลยรู้ว่าเศร้าเนี่ยอันนี้ปลอดภัยแต่เป็นผู้เศร้าเนี่ยอันนี้มันทุกข์มากเล้วเราเลือกได้นะว่าเราจะรู้หรือเป็นนะมีทุกข์เกิดขึ้นเราจะรู้ทุกข์หรือว่าเป็นทุกข์นะมีความปวดเกิดขึ้นเราจะรู้ ความปวดหรือว่าเป็นผู้ปวดอันนี้เราฝึกได้เราฝึกได้จากการจดจสตินั่นแหละถ้าเราไม่จดจังสติเราลึกไม่ออกนะว่าไอการเห็นกับเป็นเนี่ยมันต่างกันยังไงรู้ทุกแต่ไม่เป็นทุกนี่มันต่างกันยังไงพูดอย่างนี้มันไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญด้วยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแต่ถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้เลยว่าโอ้มัน เห็นกับเป็นนี่มันต่างกันนะรู้ ก, กับเป็นนี่มันแตกต่างกันนะรู้หรือเห็นนี่มนให้เราเป็นทำมจิตเป็นสละจากความทุกข์ได้แต่ถ้าเข้าไปเป็นเมื่อไหร่นี่มันถูกมันครอบงำถูกมันบีบคั้นใจเราจะยังไม่สามารถปล่อยวาง สิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเราหรือสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ควรจะรู้จักปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เป็น อ, อ ก, กุศลและต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์ที่เป็น อ, อ ก, กุศลอย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ไม่เข้าไปยึดเหมือนกันความสงบความสดชื่นความปิติปราโมดพวกนี้มันให้ความสุขก็จริงแต่อย่าไปเข้าไปยึดก็แค่เห็นนะไม่เข้าไปเป็นฝึกเอาไว้นะมันจะ ทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านี้ได้แม้ว่าจะยังห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นในใจไม่ได้แต่ต่อไปพอรู้หรือเห็นบ่อ ย, อยมีสติมากๆปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะช่วยทำให้อารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยากและต่อไปเนี่ยความอิสระเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกระจายไปยังสิ่งต่างๆสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรา เราก็รู้จักปล่อยรู้จักวางมันได้เพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นโทษพอยึดเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์มาเท่านั้นเมื่อมันแปรเปลี่ยนไปงั้นต่อไปเนี่ยสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ยึดมันเพราะรู้ว่ายึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นในการที่เห็นอย่างนั้นมันเห็นด้วยปัญญาแล้วนะมันไม่ใช่แค่เห็นด้วยสติ